ยาม้ากว่างกันจะไปให้ถึงฟังแสียงตะวันนาทีแห่งนั้นที่มีพองเราสดใสดอกไม้พิซอ คำลัง คืนลมต้านพายุ่รารตราบทีพไหวก็ยังมั่นคงอรนงของคนแบกเป้ สดีครับคุณฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสานะครับกลับมพบกับผมนัทพลดีอุดทุกวันสุขแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี fm 8 9 5สิบมิตนะครับกับเรื่องราวข่าวสารงานอาสาต่างๆนะครับที่เราจะนํามาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในรายการสุขอาสาแห่งนี้นะครับซึ่งรายการสุขอาสนะครับควบคุมการผลิตรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุลกนิษฐ์ทองเงานะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะครับในการควบคุมการผลิตรายการนะครับซึ่งวันนี้ครับคุณนุ่ฟังสุขอาสาเริ่มต้นในช่วงแรกของเรากับช่วงคิดอาสานะครับคิดอาสาในวันนี้นะครับจะพาคุณนุ่ฟังนะครับไปรับฟังบทความจากกรุงเทพธุรกิจนะครับกับบทความงานนี้พี่ให้โดยเฉพาะนะครับต้องบอกว่าหากคุณฟังเป็นคนปกติทั่วไปแล้วอยากจะลุกมาทํางานจิตอาสาช่วยเหลือใครๆก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่สําหรับประชากรกลุ่มเฉพาะที่ได้โอกาสทั้งโอกาสและสิทธิ์ใน สังคมหากเขาจะลุกขึ้นมาทําดีหรือเป็นผู้ให้บ้างคงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากอยู่สักหน่อยนะครับแม้ว่าความจริงแล้วนะครับคนพิการและคนเฉพาะกลุ่มที่ได้โอกาสในสังคมนั้นใช่ว่าจะอ่อนแอและอยากพึ่งพิงคนอื่นเสมอไปนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะค่านิยมในสังคมไทยนะครับที่ยังมองและจัดที่ทางประชากรกลุ่มเฉพาะให้มีบทบาทเป็นเพียงผู้รับเท่านั้นนะครับความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ฟังในโลกของการให้ควรเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทําได้ไม่ใช่เหรอครับคําว่าให้ไม่ มีแบ่งนะครับเพราะการให้ไม่เคยมีเส้นแบ่งทำให้สองแรงที่มีจิตอาสาอย่างสำนัก ง, งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอ ส, อสอและบริษัทกล่องดิมสอจำกัด จึงเกิดแนวคิดใหม่ร่วมกันนะครับโดยมีการจับมือกันสร้างกิจกรรมโครงการเปิดใจให้โดยเฉพาะขึ้นโดยให้หัวใจของโครงการนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมและส่งต่อให้ประชากรกลุ่มเฉพาะอย่างเป็นรู ป, ปรธรรมนะครับโดยโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะสสสเนี่ยเชื่อในพลังศักยภาพของคนที่คนอื่นมองว่าเขาคือคนด้อยโอกาสหรือคนพิการในสังคม แต่เขาเองก็มีความพร้อมที่จะลุกขึ้นมาให้คนอื่นด้วยนะครับโดยผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะของสสสหรือว่าคุณพรณีผู้ประเสริฐกล่าวนะครับว่าแนวทางของการเปิดใจให้โดยเฉพาะนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักสําคัญคือการสร้างวงจรแห่งการให้ที่ส่งต่อมากกว่าสิ่งของแต่เป็นการส่งต่อความรู้สึกส่งต่อน้ําใจส่งต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้และความสุขในการเป็นผู้รับ ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยสถานะของบุคคลใดๆในการเป็นรูปแบบจิตอาสานะครับ ที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังอาจเป็นครั้งแรกของการส่งเสริมความรู้สึกที่มีคุณค่าให้กับคนชายขอบของสังคมให้ลุกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ควรเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังโดยผู้อำนวยการสสยังบอกนะครับว่าอยากให้คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองและสามารถทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อได้ซึ่งจะพยายามสร้างมุมมองใหม่ๆให้เห็นคุณค่าและสร้างศักยภาพของคนกลุ่มนี้นะครับนอกจากโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในการจัดกิจกรรมสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการเป็นจิตอาสา ให้สำหรับคนกลุ่มนี้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครดูแลเยี่ยมเยือนรับฟังให้คำปรึกษาหรือการทำกิจกรรมศิละปะสองวัยซึ่งหลายกิจกรรมเดินหน้าไปได้ไวและเห็นผลรับอย่างคาดไม่ถึงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจากคุณสัจชัยอภิบาลภูนผลผู้จัดตั้งบริษัทกองดินสอจำกัดผู้จัดทำโครงการนี้คือโครงการให้โดยเฉพาะนะครับได้กล่าวว่าสำหรับโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้รับได้เป็นผู้ให้ผ่าน7กิจกรรมอาทิอ่านหนังสือเสียง ของผู้ต้องขังเพื่อส่งต่อมอบให้กับคน พิการทางสายตามีผู้ต้องขังและนักเรียนนิทานหุ่นมือนะฮะจัดแสดงละครหุ่นมือกิจกรรมเรียนรู้การดูแลสิ่งแวดล้อมการแยกขยะกิจกรรมศิลปะ2วัยและผู้สูงอายุฝึกอาชีพให้กับคนไร้ที่พึ่งซึ่งหากรวมผู้เข้าร่วมจากทุกกิจกรรมนั้นมีจํานวนกว่า590คนนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคนไร้ที่พึ่งทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานชุมชนอีกด้วยนะครับซึ่งเขายังกล่าวอีกนะครับว่าต่อเริ่มต้นอาจจะยากเหมือนกันเพราะคนแต่ละกลุ่มมีข้อจํากัด ของตัวเองเยอะที่สําคัญคือความกลัวนะครับเพราะเขาต้องระมัดระวังภาพที่จะออกมาไม่ดีอย่างไรต้องใช้เวลาทําความเข้าใจนะครับด้วยคุณชัดชัยเล่าต่อนะครับว่าโครงการนี้ถูกเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน2561ซึ่งหลังจากกองดินสอทํางานด้านจิตอาสามาระยะหนึ่งทำให้เขาพบว่าไม่เคยมีงานจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสลุกมาเป็นผู้ให้บ้างนะครับดังนั้นคุณชัดชัยจึงบอกว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งคนทั่วไป อาจเกรงว่าเขาไม่รู้จะดูแลคนกลุ่มนี้ยังไงหรือไม่อยากเป็นภาระนะครับทางบริษัทกล่องดินสอจึงเข้าไปคุยกับสสสนะครับว่าประชาชนกลุ่มเฉพาะเหล่านี้เขาไม่มีพื้นที่ทําจิตอาสาทั้งที่เรามองว่าเขาทําได้จึงเริ่มโครงการออกแบบกิจกรรมด้วยตัวเองนะครับเพื่อนําล่องให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันทําได้นะครับคิดจะให้ต้องไม่รอนี่คือคํำกล่าวของเขานะครับซึ่งการทํางานจิตอาสาหรือการเป็นผู้ให้คนบางคนอาจมองว่าตัวเองต้องเต็มก่อนแล้ว ล้นถึงจะแบ่งปันไปยังผู้อื่นนะครับแต่คุณชัดชัยบอกว่าการให้ทำได้ตลอดและทำได้ทุกคนนะครับแต่การให้ คนเฉพาะกลุ่มเริ่มอาจเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะครับโดยสิ่งที่ประทับใจนะครับพอเปิดโอกาสทุกคนตื่นเต้นยินดีที่จะทําโดยเฉพาะคนที่แอคทีฟที่สุดคือผู้ต้องขังในเรือนจําเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเรื่อ ง, องการให้ดูไกลตัวสําหรับเขาจะให้อย่างไรเมื่ออยู่ในเรือนจําเพราะเราคิดกิจกรรมการอ่านหนังสือเสียงในเรือนจําจังหวัดประทุมธานีและทันทสถานหญิงธนบุรีขึ้นก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีหนังสือเสียงที่เกิดจากโครงการนี้กว่า หนึ170เล่มแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือกิจกรรมดีๆนะครับที่อยากบอกว่าผู้รับนะฮะหรือว่าคนที่เราคิดว่าเขาจะเป็นผู้รับอย่างเดียววันหนึ่งเนี่ยเขาลุกมาเป็นผู้ให้ก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เกิดจากทางบริษัทกล่องดิมสอที่ร่วมกับสสสแล้วก็มูลนิธิต่างๆในการจัดกิจกรรมขึ้นนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยนะครับที่ทําให้คนที่คิดว่าเขาจะเป็นเพียงแค่ผู้รับเนี่ยได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้ให้บ้างนะฮะ อย่างที่ได้บอกไปนะครคุณผู้ฟังทุกคนสามารถเป็นผู้ให้นะครับเวลาเราเป็นผู้ให้แล้วจิตใจเราอาจจะมีความสึกมากกว่าการเป็นผู้รับก็ได้นะครับ <al> ลองไปร่วมกิจกรรมดีๆนะครับหลายคนที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถให้คนอื่นได้หรือว่าตัวเองยังไม่เต็มพอที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่นอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าทุกคนเป็นผู้ให้ได้เพียงเริ่มจากจุดเล็เกๆนะครับลองไปเป็นผู้ให้ดูแล้วจิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมครับ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 ครับมากับช่วงนี้ครับคนอาสาครับมาพร้อมกับเรื่องราวของโค้ตนักบุญสอนบอนฟรีนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหญ่ที่ดีของเด็กๆนะครับ คุณผู้ฟังครับตัวอย่างโค้ดรุ่นใหญ่ที่ดีนั่นก็คือโค้ดนักบุญสอนฟุตบอลเยาวชนฟรีนั่นก็คือโค้ดหยุ่นครับที่ได้บอกที่มาที่ไปของการเปิดกิจกรรมการสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนว่าเมื่อก่อนเขาเองเนี่ยเคยเป็นโค้ดให้กับสโมสรชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีแต่บ้านเกิดอยู่ที่อําเภอด่านช้างการเดินทางไปสอนต้องใช้เวลานานนะครับประกอบกับอายุที่เริ่มมากขึ้นแล้วจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นโค้ดของสโมสรดังกล่าก่อนจะกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยความที่เป็น ห่วงเด็กในพื้นที่นะครับเนื่องจากเห็นข่าวว่าเด็กสมัยนี้ใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่ดีมั่วสุมเสพยาร้านเกมไม่ก็ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์แว้นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกทั้งการควบคุมอารมณ์ของเด็กในยุคนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงต่างๆตัวอย่างที่ไม่ดีที่พวกเขาทากันตามแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับทางโค้ชหยุ่นเองจึงคิดว่าน่าจะนา ความรู้ที่มีและทักษะที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาด้านการกีฬาให้กับเด็กๆนะครับมาขัดเกลีให้เขารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยรู้จักการควบคุมความรุนแรงอีกทั้งยังอยากทําประโยชน์ให้กับถิ่นเกิดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับโคชยุ่นเองก็เลยมาฝึกสอนให้กับเยาวชนที่สนใจเรื่องของกีฬาฟุตบอลให้พวกเขาเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หากไกลจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงนะครับรวมถึงควบคุมอารมณ์ความรุนแรงโดยใช้ความมีระเบียบวินัยของการเล่นกีฬามาเป็นตัวสอน และยังมีโอกาสทําให้เขาเนี่ยได้ก้าวไปเป็นโค้ดนักฟุตบอลมืออาชีพนะครับจึงเริ่มชักชวนเยาวชนที่สนใจมาร่วมฝึกสอนทุกวันอาทิตย์นะครับบริเวณสนามฟุตบอลข้างสอพอด่านช้างตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาไปถึง16บหนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยปัจจุบันก็มีเด็กอายุราว1 0บถึงสิปีเกือบ30คนมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณภูวดนถาวร อ, อายุ23ปีิบา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนบอกนะครับว่าได้เข้ามาร่วมงานกับโคชยุนระยะหนึแล้วนะครับโดยมีแนวคิดเดียวกันนั่นก็คือการพัฒนาเด็กในพื้นที่ให้มีทักษะในการเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากหลังจากเข้ามาฝึกสอนได้เพียง4เดือนกว่านะครับเยา ว, วชนมีการพัฒนาไปตามลาดับ ที่ผ่านมาเคยพาเด็กๆ เ, เหล่านี้ลงไปแข่งบ้างนะครับได้แชมป์มาบ้างแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแล้วแต่บางสนามซึ่งเด็กบางคนฉายแววเก่งมีทีมดังๆสนใจให้เขาร่วมทีมก็มีนะครับขณะที่เด็กๆ เ, เข้ารับการฝึกส่วนใหญ่บอกนะครับว่าดีใจมากที่มีโค้ชเก่งๆมาฝึกสอนให้แบบฟรีๆจะได้มีการพัฒนาฝีมือเพื่อให้เก่งแบบทีมในเมืองแถมยังมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรืออใบายามุกต่างๆที่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับ และได้เข้าร่วมทีมกับสโมสรฟุตบอลดังๆอีกด้วยนะครับ คุณฟังครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับถึงจะเริ่มทําได้ไม่นานแต่เชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กๆ ก, ก็น่าจะสบายใจนะครับเมื่อเห็นลูกหลานของตัวเองเนี่ยห่างไกลจากสิ่งไม่ดีห่างไกลจากอบายมุกรวมถึงได้ใช้เวลาว่างไปกับการเล่นกีฬาและขอให้กิจกรรมแบบนี้อยู่นานๆทําให้ถิ่นเกิดทําเพื่อเด็กๆนะครับไม่หวังสิ่งตอบแทนและน่าชื่นชมความเป็นรุ่นใหญ่ที่ดีนะครับและอย่างทราบนะครับว่าตอนนี้ขาดแคลนลูกฟุตบอลที่เหมาะสมกับเยาวชนในแต่และช่วงวัยรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ที่ให้เด็กๆได้พักนะครับเนื่องจากว่ามีเยาวชนเข้าสนใจเนี่ยเข้ามาร่วมกว่า5้าสถึงเจคนแล้วและอุปกรณ์จึงมือไม่เพียงพอนะครับฝากถึงรุ่นใหญ่ใจดีคนอื่นๆด้วยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนนะครับส่วนใจสนับสนุนก็สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944749298จ็ดอะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณฝั่งครับนี่คือเรื่องราวของคนอาสายในช่วงนี้กับโค้ดฟุตบอลสอนบอลฟรีนะครับกับโค้ดหยุ่นนะครับและ คุณพูวดลถาวรที่เป็นโค้ชผู้ช่วยนะครับในการสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆที่อําเภอด่านช้างนะครับที่สอนฟุตบอลให้กับเยาวชนแล้วก็น้องๆเนี่ยได้ฝึกทักษะต่างๆมากมายนะครับที่ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดและที่สําคัญมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาติดตามกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับกับช่วงภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน กลับมากับช่วงสุดท้ายนะครับกับภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสาจะชวนผู้ฟังนะครับมาบริจา ก, กระดาษ A4 ใช้แล้วเพื่อนำไปทำสมุดอักษรเบลให้กับผู้พิการทางสายตานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วนะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าสามารถนำมากับ ไปทำเป็นสมุดให้กับผู้พิการทางสายตาได้นะครับเพราะน้องๆเหล่านี้ต้องใช้อักษรเบลในการอ่านหนังสือนอกจากนี้ยังมีปฏิทินตั้งโต๊ะในปีเก่าๆ ก, ก, ก็สามารถบริจาคมาได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่จะทํานําไปเป็นบัตรอักษรเบลนะครับเพื่อใช้เป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอนต่อไปสําหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมบริจาค ก, ก็สามารถติดต่อได้ที่มูลที่ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมนะครับที่ที่อยู่ก็ที่420ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับรหัสไปรษณีย์หนึ่งนี่ศูนะครับใครสนใจก็สามารถบริจาคไปได้นะครับหรือจะโทรไปสอบถามก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับศูน5์สอ6สามห้าสีหนะครับศูนย์สองสาหรือจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์มูลที่ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุงประถมนะครับก็เข้าไปติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในเว็บไซต์นะครับ คุณฟังครับ และวันนี้เดินทางมาครบทั้ง3ช่วงรายการแล้วนะครับทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสานะครับที่ได้นําเรื่องราวต่างๆมาบอกกล่าวบอกเล่ารวมถึงประชาสัมพันธ์ธกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการสุขอาสานะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันสุขแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี FM 8 9 5สิเก้าจุาิเกรซนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตาม รับฟังลากันไปแล้วครับสวัสดีครับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราช ม, มงคลทัญบุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อชมชงลูกประครบพิมพ์เสน้ำรวมถึงเครื่องสอําอางทุกขั้นตอนผลิตตามรูปแบบมาตรฐาน GMP และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์